ไม่พึงรับหน้าที่สอนนาำพิกษุณีด้วยถึงเคยรับหน้าที่ไว้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในช่วงนั้นก็ต้องงดต้องเว้นนะครับต้องงดต้องเว้นไม่ข้อหนึง่งไม่พึงต้องอาบัติที่ที่เราเราต้องอาบัตรอะไรแล้วเราต้องเอออาบัตรตัวไหนแล้วไปขอเข้าไปว่าไม่พึงต้องอาบัตรตัวนั้นอีกไม่พึงต้องอาบัตรที่เหมือนกันอย่างนั้นอีกนะครับเหมือนกันคือตัวข้ออื่นๆวัตถุอื่นๆ อาบัตสังฆทิศเศตโคเดียวกันก็ไม่ควรต้ององีกนะครับแล้วก็ไม่ควรต้องอาบัติที่เลวกว่านั้นไม่ควรต้องอาบัติที่เลวกว่าสังฆทิศเศด้วยนะครับคือประอาชิกนะครับทีนี้ต่อมาตรงตรงที่วันก่อนท่านรถเคยถามแล้วทีนี้นะครับกรรมเกี่ยวกับกรรมคำว่ากรมาในที่นี้ในในพระบาลีบอกว่าไม่ควรติดกรรมคำว่ากรมในที่นี้คืออะไรนะครับกรรมในที่นี้ท่านกล่าวว่า สมมตเราเป็นปริวาสิกาพิสุไม่ควรตีกรรมกรรมในที่นี้คือเปริวาสปริวาสกัมวาจากัมวาจานะครับไม่ควรตีกรรมคือกรรมคําว่ากรรมในที่นี้ได้แก่กัมวาจาของปริวาสปริวาสกัมวาจากัมวาจาที่พัสสวดให้นะครับไม่ควรตีกรรมแล้วถามว่าติว่ายังไงนะครับคําว่าติ ติกรรมวาจาติกรรมในทีน่นี้ติยังไงท่านก็บอกว่าไม่ควรติว่ากรรมนี้ทําไม่ดีกรรมนี้ไม่เป็นอันธรมใช้ไม่ได้อย่างนี้นะครับหรือบางครั้งติว่าไอ้ใครทำแบบนี้มันทําแบบทําแบบชาวนานี่นะกรรมแบบนี้มันกรรมกรก็ไอชานากรรมอย่างนี้มันมันทําแบบเลี้ยงวัวเลีเ้ยงควายนี่แบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับท่านจะใช้คํำว่ากิง่งอีทางกรรมมังนามกติกรรมมังโครขะกรรมมัง กรรมติอาทินาอาทิหินะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้คือพูดเทียบเคียงเอ้ยทําอย่างนี้ไม่บอกก็ว่าทําอย่างนี้ไม่ดีทําอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่บอกว่าไอ้ทาอย่างนี้มันทําแบบเรื่องบอลเรื่องควายนี่ทําแบบนี้มันทําแบบไอ้ชาวนาเขาไถนากันนี่นะครับกกําลังมไม่ใช่ในขณะไอ้ในขณะทํากรรมก็ได้ทําเสร็จแล้วก็ได้ตีกรรมนี่อ่าปฏิวัตวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จนอภานานเรียบร้อยนะครับ พอดีไปได้ยินมานะครับไปได้ยินมาอีกจากที่หนึ่งทีนี้ก็มติกรรมที่ตัวเองอยู่อย่างนี้จะชื่อว่าติกรรมไหยครับติกระใครอทีนี้ติติกระสงที่นั่นนะครับที่ที่ทําให้เราครับ<ะ>ติครับอย่างนี้ยังชืียว่าอ๋อเราออกไปแล้วออกไปแล้วอ๋ออออกไปแล้วนี่หมายถึงปฏิวัติพิสุนี่หมายถึงปฏิวัติพิสุที่กําลังประพฤติปฏิวัติอยู่มานัทที่กําลังประพฤติมานัทอยู่อย่างนี้ครับติคือในใน ในขณะที่เราประพฤติอยู่แล้วเราก็ติอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ห้ามเฉพาะปริวาสใช่ไหมครัครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะบริวาสมานัทก็ห้ามเออมานัทคือพระที่ประพฤติวัดอ่าพระที่ประพฤติวัดนี่ห้ามครับห้ามแต่ปกตานี่ท่านไม่ห้ามครับปกตาตาไม่ปกตาตาไม่ห้ามไม่ได้มันไม่มีอันนี้ข้อวัดนี่พิกตุผู้ประพฤติวัดควรต้องทําตามนี้นะครับผู้ประพฤติวัดเลยแบกประาตาไปห้ามก็ไม่เป็นธรรมแล้ว คือทําอะไรก็ห้ามห้ามห้า ม, มันก็เลยเป็นกลายเป็นปฏิเดชการไปใช่ไหมครับไม่ได้ท่านรสเคยถามนะครับที่ที่โน้น ท, ที่เวลาไปเข้าตอนนั้นถามมาติกรรมอตอนนั้นใช้คำว่าอะไรพูดแก่ไหนแท่ไหนว่างไงพูดว่าไงตีกรรมนะั้นว่าตรงแค่ไหนไม่ใช่ติกรรมนี่ คุยคุยกันแล้วก็เสียงว่าอาจารย์กรรมอาจารย์กรรมนี่บอกให้ทําอย่างนู่นทําอย่างนี้แล้วไม่ทําเออเราไม่ทำอย่างนี้มันคือไม่มีเหตุผลที่ควรจะทําแล้วเราก็โต้เถียงเอออย่างนี้ไม่ไม่ชีวิตกรรมเดี๋ยวลองลองวินิจฉัยหยุดดูตรงนี้นะครับอัตถิฐาจะกล่าวนะครับจำคำถามได้แล้วคำถามว่าการติกรรมนี่เช่นว่าอาจารย์กรรมให้ทําอะไรอะไรนี่ห้ามขัดห้ามติห้ามอะไรต้องทําตามทุกอย่างนี่หรือเปล่าที่ว่าห้ามติกรรมถ้าติแล้วเป็นอันว่า ไม่ได้เนี่ยครับต้องตามอย่างนี้นะครับเราลองพิจารณาตามอย่างนี้นะว่าถ้าตรงตามนี้ก็ก็เป็นอันว่าติกรรมนะครับถ้าไม่ตรงอย่างนี้ถ้านนไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ไม่ชื่อวิติกรรมในทีน่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกตัวหนึ่งถึกทอดต่อไปอีกนิด น, นึงมันยาวตรงนั้นจดไม่ไหวตรงนั้นต้ององธิบายนะครับคำวกรรมก่อนเราต้องเขา้าก่อนจะรู้ว่าติกรรมคือการพูดยังไงเราต้องเข้าใจคําว่ากรรมก่อนกรรมในที่นี้ท่านหมายเอาอะไร นีอ๋อผมลืมเขียนที่มานะครับกรรมในที่นี้ในสมัญตะนะครับ <c oughs> จุรวคัคคะอัจฉริยะสมัญตะจุรวักนะครับจุรวักเร่มของจุรวักปริวาสิกะขันธกะนะครับท่านกล่าวไว้ว่ากรรมมันตีปริวาสะกรรมมาวาจาวุจติกรรมวาจาแห่งปริวาทนะครับท่านเรียกว่าหรือท่านกล่าวว่ากรรมในที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่า ก, กรรมก็คือกรรมมาวาจาในปริวาทนะครับในที่นี้ ในที่นี้พูดถึงปฏิวาติเป็นประธานนะครับถ้าติดกรรมในมานัสก็กรรมวาจาในมานัสนะครับติดกรรมในอภานก็กรรมวาจาในอภานเป็นเป็นเป็นส่วนส่วนส Billie, ส่วนไปทั parfois, ้งหมดแล้วกันนะคร <t> ับกรรมทั้งหมดหมายถึงกรรมวาจาแล้วกันหมายถึงกรรมวาจาในปริวาตมานัสและอภานนะครับคำว่ากรรมในที่นี้และที่นี้อะไรตั้งกรรมัง นะครับตางกระมังแล้วไปมีเรื่องในอากตังทุกตตันติอาทิหิวานะครหิตพังนะครับว่าจะในหินนครหิตพังกรรมนั้นนะอันภิกษุผู้ประพฤติวัตไม่ควรตีด้วยคำเป็นต้นว่าอากตางังนะกรรมนี้ไม่เป็นอันธรรมหรือทำใช้ไม่ได้เสียไปเลยไม่เป็นอันทรรมในคินนีนี้คือทำแล้วเหมือนไม่ทำนะครับ ทำแล้วเหมือนไม่ได้ทําคือมันใช้ไม่ได้เลยอากตังทําแล้วเหมือนไม่ได้ทําทุกรตังมันเป็นคําสอดคล้องกันเลยนะครับเนื้อความเดียวกันทําเสียทําแล้วเสียนะครับกรรมนี้เสียอย่างนี้หมายถึงว่าโอ้ยตรวจอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะครับตรวจอย่างนี้อ่าเหมือนก็ไม่ได้ตรวจนั่นเองเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ยังยังประพฤติไม่ได้ยังอะไรไม่ได้อย่างนี้ติอย่างนี้นะครับติกรรมวาจานะครับติกรรมวาจาวายอย่างหนึ่งนะครับมีอีก มีอีอทางกรรมเอ๋กิ่งอีทางกรรมมังนามากกติกรรมมังโครรกรรมมันติอาทิหิวาวัจเนหินคกรีตะพังกรรมวาจานั้นนะอันทิกสุผู้ปพฤตวัดไม่ไม่ควรติด้วยคำเป็นต้นว่าก ร, รมอะไรนี่เหมือนดับเลเป็นเป็นกติกรรมคือแบบชาวไร่ชาวนาเขาทากันเอ๋ทาแบบนี้มันทำร่วบแบบชาวไร่ชาวนาทํากันโครรกรรมมังนะ มันเหมือนกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำแบบนี้นะครับไม่มีพิธีดีตองอะไรเลยนะใช้ไม่ได้อย่างนี้ตีอย่างนี้ก็ไม่ได้คำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่พอมาถึงตรงนี้แล้วเราเรารู้ได้ว่าติกรรมในทีนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์กรรมบอกว่าอ้าวไปอะไรกาหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมากันเองนะครับคือตั้งกติกากันขึ้นมากันเองแล้วก็ถ้าไม่เป็นธรรม ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วแล้วแล้ ว, ล ว, ลวพิกตูกผู้ประพฤติวัดนี่ไม่ทําตามอย่างนี้ไม่ชื่อว่าแล้วก็โต้เถียงกันหรือขอเหตุผลพูดหาเหตุผลกันอย่างนี้ไม่ชื่อว่ติกรรมในที่นี้นะครับไม่ใช่ติกรรมเพราะกรรมในที่นี้ท่านหมายถึงกรรมวาจากรรมในที่นี้หมายถึงกรรมวาจาที่จะให้สําเร็จไอไอกิจนั้นๆเลยนะครับไม่เกี่ยวกับไอกติกาที่ตั้งขึ้นมาโดยอัตโนมตัติหรือตรือตามกลุ่มดําอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันอย่างนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงตรงนั้น ถ้าโต้แย้งหรือขอเหตุผลพูดหาเหตุผลในในกติกาเหล่านั้นถึงยังไงพูดยังไงก็ไม่ไม่เป็นการติกรรมอยู่กำลังประพฤติวัดอยู่แล้วก็พูดไม่ไม่ชื่อวติกรรมนะครับไม่ชื่อวติกรรมทีนี้มีบทต่อไปอีกว่ากรรมวิกาติอาจารย์ายต่อไปอีกไม่ใช่ติกรรมอย่างเดียวบางทีติผู้ทํากรรมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับติผู้ทํากรรมก็ไม่ได้นี่กรรมวิกาติเยหิภิกขุหิกรรมมันกระตังท่านบอกว่ากรรมอันภิกษุเราใดก็ทําแล้ว ภิกษุเหล่านั้นเราเรียกว่า ika, ก, กรรมิกาผู้กระทากรรมนะครับผู้กระทากรรมเตภิกษุเหล่านั้นนะอันใครก็ได้ถ้าดังถาจารย์หรือพระพุทธเจ้าก็ได้เรียกว่า ika, ก, กรรมิกาผู้กระทากรรมนะครับภิกษุผู้กรรมที่ภิกษุเหล่าใดทําภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า ika, ก, กรรมิกาผู้กระทากรรมเตพาลาอภยะตาติอาดีหิวัจเนหินาครหิตาภา พิกเต้พิกสูเหล่านั้นพิกสูพูดพิกสูผู้สวดพิกสูพูดประกตาตาแล้วกันที่ที่ที่จะจะจะทำกรรมนั้นให้สมเหตุพิกสูผู้สวดก็ดีผู้นั่งอาถาบก็ดีผู้อยู่ในหาถบานั้นนะครับ <S <S เหล่านั้นอันพิกษสูพูบวพฤติวัดนาคธีตพาไม่พึงตีเตียนวจเนหีด้วยคำํำทั้งหลายเป็นต้นว่าพาลานเป็นพานโง่โง้พาพวกนี้โง่โง่ อพยตาไม่ฉลาดเป็นต้นใช้คาเหล่านี้วอาทำามอย่างนี้คนพวกนี้เราไปเชื่อถือไม่ได้ไม่ฉลาดเนี่ยโง่เนี่ยพวกนี้นะครับติติไม่ได้บอกว่ากรรมนั้นเสียไม่ได้บอกว่ากรรมนั้นทำไม่ดีแต่ไปติคนทำว่าคนพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยจะทำยังไงนะครับพวกนี้โง่นี่นะนี่ไม่ได้เรียนนี่นะพวกนี้อะไรอย่างนี้ติผู้กระทำกรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับติผู้กระทำกรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ ไอ้ติไม่ได้นี่ในในทีนี้หมายถึงเขาทําเป็นทําตามทำตามวิมมนัยแล้วนะครับถูกต้องแล้วครับทําถูกต้องแล้วเราไปติครับอย่างนี้ไม่ได้อ <c oughs> เหมือน อ, อย่างอย่างเริ่มต้นอพระพระพระองค์หนึ่งเข้าปฏิวัติอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอาคันุกะมามาอาคันุกะมาก็ถามใครทํากรรมทํำยังไงทำยังไงพระนั่นก็เล่าให้ฟังก็ติ นะครับไอ่พอบอกบอกบอกเล่าว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีดพระองค์ที่เขา้าประพฤติวัดใช่ไหมครับก็เลย ไ, ไปติเอาพอฟังอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ไปติกรรมของตัวเองที่ทีพระเขาสงฆ์ทำให้ก็ไปติแล้วก็ฟังแล้วก็ไปติอีกติคนก็ทำไม่พระพุทธเจ้าห้ามอย่างนู้นก็ไปติอนันนี้ติคนทําไม่ได้ติกรรมแต่ติคนทํากรรมว่าโง่บ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่ได้เรียนมาบ้างไม่ได้อะไรบ้างอย่างนี้คือไปรับฟังมาใช่ไหมครับอย่างนี้เรามาติอย่างนี้ไม่ได้ รับฟังหรือไม่รับฟังตรงนั้นไม่เป็นประมาณแต่ห้ามติด้วยวิธีเหล่านี้นะครับ <c oughs> ยังมีอีกนะครับมีอีก <c oughs> บอกว่านะสวัสดิ์เจนียงกาตับพังตรงนี้ยาวเลยเขียนไม่ไหวนะครับ <c oughs> ยาวออกไปมากเลย <c oughs> ไม่กรรมไม่กรรมนั้นนะไม่ อ, อันสงทาแล้วอันตนไม่พึงไม่พึงให้ทาตามตามความความพอใจของตน <c oughs> เราจะไปกด ไปไปบังคับไปไปสั่งกดเกณฑ์ว่าสงต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ให้ผมนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับไปทําต้องทําตามลาดับอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ไปพูดอย่างนี้อีกอทำสมมติว่าเราเราประพฤติวัดอยู่เกิดมีมีอะไรมีอธิกรณ์เกิดขึ้นเราจะเอาตัวเราลงไปเป็นผู้ผู้จัดแจงในกรรมในอธิกรณ์นั้นไม่ได้นะครับ พอมีเรื่องเกิดขึ้นครับพ่ท่าอ้าท่านอย่าพึ่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวผมจะจัดการเองอ่าท่านต้องมาเป็นเป็น เ, เขาเรียกอะไรเกี่ยวกับค ด, ดีอนะ่ะสมมุติได้อีกฝ่ายนึงอ่าอ่าท่านต้องมาท่านท่านเป็นจำเลยแล้วเวลานี้ท่านต้องมาให้การในในในที่สงฆ์นี่ในท่ามกลางสงฆนี่หรือหรือไม่พูดอย่างนี้ท่านอย่าพึ่งไปไหนไปกับผมเลยเดี๋ยวนี้ไปหาไปต่อหน้าพระวินญาณทอนเลย นะท่านต้องไปให้การกรรมที่ท่านทำประพฤติลงไปนี่ท่านต้องไปชี้แจงนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นผู้จัดแจงอย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นผู้จัดแจงอย่างนี้ไม่ได้ถึงอธิกรนั้นมันจะเกิดขึ้นยังไงแล้วแต่ตัวเองเข้าเป็นผู้ไปเกี่ยวข้องอย่างนี้ไม่ได้เพราะตนประพฤติวัดอยู่นะครับกรรมเหล่านี้ต้องเป็นของพระประกาศตะ่าท่านจะจัดแจงจัดการกันเองเราลงไปจัดการอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ถึงตัวเองจะเคยเป็นพระวินัยทรอยู่แต่ตอนนี้ประพฤติวัดปกติเคยพอมีอาธิการขึ้นก็ตัวเองลงไปจัดการใช่ไหมครับอาท่านเดี๋ยวต้องไปให้การนะเดี๋ยวท่านต้องไปชี้แจงข้อความประพฤติของท่านที่ท่านทําอย่างนี้ท่านอย่างนี้ท่านต้องไปชี้แจงในสงฆ์หรือไม่อาเวลายเดี๋ยวนี้เราไปกันเดี๋ยวนี้เลยไปหาพระวินัยทรท่านต้องไปพูดให้พระวินัยธรฟังอย่างนี้อย่างนี้แล้วพระวินัยทรจะบอกว่าท่านผิดหรือไม่ผิดเป็นผู้จัดการอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ อันนี้ก็ห้ามเพราะฉะนั้นห้ามรวมมาตั้งแต่ติกรรมติผู้ทํากรรมห้ามเป็นผู้จัดการในอธิกรนะครับตรงนี้สรุปข้อต่อไปไง่ายๆที่มันยาวเหลือเกินนะสวัสดยังกาตะพังนะครับห้ามเป็นผู้จัดการในอธิกรที่เกิดขึ้นในขณะที่ตนเองประพฤติวัดอยู่นะครับอ ย, อย่างสมมติอย่างนี้นะครับอย่างสมมติว่ า, ารูปนึ่ก็เลยที่ท่านเป็นประกาศาอยู่ก็เลยบอกว่าเอ้าภาพรูปนี้ท่านต้องกรบาดทางการพิเสษนี่ท่านมาร่วมกรรมได้ยังไง ถ้าอย่างนี้ชื่อว่าติทรงกูทํากรรมยังไงวางไว้ยังไงครับว่าไงเอ้าถ้ารูปนี้คือเอาเริ่มต้นไหมว่าคืออย่างสมมติว่ามีพระประกตตาใช่ไหมครับที่กาลังจะสวดอยู่พอดีอีกพระรูปหนึ่งมาขอปริวาสนะครับพอดีตอนขอเนี่ยไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูว่ามีพระรูปไหนบ้างที่ว่ามันนั่งร่วมกรรมไหมแต่ทีนี้หลังจากขอเสร็จแล้วออกไปเจอกันนะครับก็บอกว่าเอ้าพระรูปนี้ท่านมาร่วมได้ยังไงท่านต้องกระบาดทั้งขาที่เศษนี่อย่างงี้ใช่ไหมครับ ทีนี้อย่างนี้ชื่อว่าติสงผู้ทากรรมไหมครับไม่ไม่ชื่อครับเพราะอ่าเขาต้องแล้วเขาบอกไว้ยังอะ่ะเขาบอกไว้อยังบอกบอกบอกไว้บอกคือไม่ได้ปกปิดบอกอยังบอกบอกอ่าบอกแล้วบอกแล้วตอนนั้นเขายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ประพฤติวัดใช่ไหมครับครับตอนนั้นเป็นปกตศตะอยู่เขาต้องต่อไปต้องประพฤติวัดใช่ไหมครับต่อไปต้องของประวา่าแต่ตอนนี้ยังไม่ขอครับยังไม่ขอแต่บอกไว้แล้วไม่ได้ปกปิด เท่ากับแจ้งอาบัติของตัวไว้แล้วครับแจ้งไว้แล้วไม่ได้ปกปิดนะครับคือพ้าที่มามาร่วมเป็นเอเคณะบุรการนั้นก็ไม่ทําให้กรรมเสียไม่ไม่ได้ทําให้กรรมเสียครับแล้วสงฆ์ผู้หรือว่าผู้มาขอปริวาสนะครับก็บพูดอย่างนี้จะชื่อว่าเป็นการป ต, ติกรรมครับก็ถามเพียงแต่ถามออกไปเอ้ยท่านต้องอย่างนี้มานั่งได้ยังไงเขาอีกองค์ต้องเป็นผู้ชี้แจงครับไม่ไม่ชีวปติกรรมครับไม่ได้มันเหมือนกับคําถามเลยอย่างนี้ ไม่ได้ครับไม่ไม่เข้าอันนี้อันนี้พูดเลยอย่างนี้โง่อย่างนี้จะมาทําได้ยังไงไม่ฉลาดไม่ได้เรียนมาเลยนี่อย่างนี้ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้นั่นมันเหมือนกับแค่คําถามเท่านั้นเองว่าเอ๊ะท่านต้องอาบัตอยู่ไม่ใช่เล้วมาเข้านี้ได้ไงเขาจะได้ชี้แจงว่าอ้าวผมบอกอบัตไปแล้วเพียงแต่ผมยังไม่ได้ขอกระพริวัดเท่านั้นเองเขาก็ชี้แจงได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ในกรณีที่ว่าเอ๊ถ้าพระองค์นี้สวดให้ ผมไม่เอาหรอกผมจะให้อง์นี้สวดอ๋ออย่างนี้จัดการทำอย่างนี้ไม่ได้ครับไ ม, ไ, ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะตัวเองเป็นผู้ขอใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นผู้จัดการไอ้อง์นี้สวดผมไม่เอาผมต้องเอาองน์นี้นี่เข้าไปจัดการแล้วครับนี่เข้าไปจัดการไม่ได้ครับอย่างนี้ไปจัดแจงอย่างนี้ไม่ได้เคยมีเคยไปเข้าบริวัติอันนี้พระสวดเขไม่พอมั้งตรงนึงเขพอสวดได้แต่เขาจําไม่ได้เขาเดาหนังสือไปดูครับปรากฏว่า ปูกระเพิวัดนี่ไม่ย อ, บยยอบมยอบอกเยอย่างนี้มันจะบริสุทธิ์ได้ยังไง<อ>ต้องสวจแบบปากปล่าเลยเจริงๆแล้วคําว่าไอ้วา น, นี้ที่เขียนนะฮะอะไรอะพญาเตนะปฏิพรนะความจริงมันมีสี่ห้าจับต่อกัน ข, ขยายคําเดียวนะครับเป็นผู้ฉลาดสามารถมีกาําลังมีเสียงมีสุ้มมีเสียงแล้วก็เออสามารถทรงจําได้ไอ้คําว่าสามารถทรงจําได้ตอนนั้นจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้ที่จริงๆแล้วมันต้องจําได้คือสามารถตรวจให้ถูก สี่ทีละทนิตะตรงนั้นเป็นประมาณครับตรงนั้นเป็นปรมาจะเขาจะดูหนังสือหรือไม่ดูไม่รู้ความจริงเขาเป็นผู้สามารถไอ้แค่นี้จําไม่ได้ไม่มีสมมุติได้อย่างนั้นนะครับองค์องนี้ ส, สมมุติเราเคยไอ้ออยางอื่นจําได้มากกว่านี้ไอ้ตรงนี้จําไม่ได้แค่นี้ไม่มั น, ม, นมันไม่ใช่แล้วมันต้องจําได้มันต้องมีความสามารถจําได้นะครับข้อสําคัญต้องตรวจให้ถูกสี่ทีละท่นนิตาไอ้วัทถิตะวิมุตตะอะไรพวกนี้ต่างหากครับตรงนี้เป็นประมาณที่จะทําให้กรรมนั้นเสียหรือไม่เสียดีหรือไม่ดีดด <pandemic> ใช่ไหมครับ ไม่ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับดูหนังสือหรือไม่ดูไม่ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระพม่าเวลาสวดอุปสมบทกุมภังษบวชบวชดูครับดูกรรมวจาป้องกันการออกเสียงผิดพลาดไม่ใช่สวดไม่ได้เพราะกรรมวจามันไม่ใช่ของยาวไบางองค์จบตั้งทีในขั้นกายทรงจํำอะได้ดังเยอะอย่างแยะใช่ไหมไอ้แค่นี้จําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงแค่นั้นนะครับ ป้องกันเวลาเห็นตัวแล้วมันจะออกมันมันมันมันไม่ไม่ไม่ค่อยพลาดเลยออกเสียงไม่ค่อยพลาดบานี้ผิดแล้วมันมันเห็นตัวอยู่ตามันฟองอยู่มันเราเรากลับเองเลยเราเริ่มใหม่เลยเราเราตวจทบทวนใหม่เลยอย่างนี้ได้นะครับนะอนุวาโทท่านบอกว่าไม่พึงเป็นหัวหน้าในกรรมต่างๆเกี่ยวกับในในวัดนะครับในวัดในที่อยู่นี่ เป็นหัวหน้าจัดแจงให้หนู่นจัดแจงให้หนี่อย่างนี้ลับไม่ได้ทําไม่ได้นะครับตอนเป็นตอนประพฤติวัดอยู่ทําไม่ได้แล้วก็ไม่พึงเป็นผู้สวปดปฏิโมกไม่ต้องเป็นผู้แสดชื่เชิญเชิญปกติถ้าในใ น, ในเวลาจะแสดงทํากับพระสงฆ์ใช่ไหมครับต้องมีพระที่ถูกสมมุติไปนิมนต์ให้แสดงธรรมใช่ไหมครับฝันยิงพระที่ส ม, มุเอไปไ ป, ป, ปนิมนต์องค์อื่นให้แสดงธรรมคือพระเถระ อนุญาตนั่นเองเข้ามาเชิญแสดงธรรมนีน้อนุญาตนั่นเองนะครับอนุญาตเพราะฉะนั้นเวลาประพฤติวัดอยู่นี่หน้าที่ตรงนั้นโละทิ้งไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปรับตรวจปฏิโมกข้ดีปกติเป็นหน้าที่ของพระเถระใช่ไหมครับไม่ต้องรับตรงนี้หรื อ, อปกติบางทีเคยใช่องค์โน้นเคยอนุญาตองค์นี้บางทีมีองค์มาขอ อ, อ๋อผมมีญาติโยมามามีมีพระสงฆ์มาอยากจะฟังไม่ใช่ญาติโยมมีพระสงฆ์มาอยากผมขอแสดงธรรมอย่างนี้ก็อนุญาตหรือ ไม่ยังไม่มีมีมีพระสงฆ์มีโยมอ่ะไม่ยังไม่มีใครมาขอแสดงเลยก็ต้องใช้ใช่ไหมครับอานิมนต์อย่างสมมุตินะที่นี่ผมกับอนิมต์ท่านรถแสดงทําหน่อยถ้าผมมาพืิวัดอยู่อย่างนี้ผมจัดการไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะครับต้ององค์รองลงไปเป็นผู้จัดการแล้วที่มีพรรษารองลงไ ป, ไไไปครับที่เป็นประกตศแตะครับเพราะฉะนั้นเวลามาพืชวัดไปรับหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้ หน้าที่หมายความว่าต้องเลิกหน้าที่ของพระเถระที่ที่เคยทำมาปกติสวสดปริโมกเป็นหน้าที่ของพระเถระใช่ไมครับแสดงทําเป็นหน้าที่ของพระเถระอย่างนี้การจัดการในวัดในในวัดเป็นหน้าที่ของพระเถระใช่ไหมครับตรงนี้ต้องถา้ถาถา้าถ้าพระเถระนั้นประพฤติวัดอยู่ต้องยกหน้าที่ให้คนอื่นไปโดยปริยายเลยพระเถระนั้นไม่ได้ประพฤติใช่ครับ แต่องค์รองของท่านนะครับกําลังประพฤติวัดอยู่ใช่ไหมฮะท่านก็เลยอมีมีกิจธุระจะไปที่อื่นนะครับท่านก็เลยสั่งบอกว่าเออวันนี้เดี๋ยวสั่งไว้ว่ า, ส, วาสั่งผ้าที่ประพฤติวัดนะครับบอกว่าเออแล้วท่านช่วยนิมนต์ผ้าองค์นั้นหน่อยหน่อยนะให้ท่านขึ้นบรรยายทำหน่อยเนะี่ยในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้จะทําได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่ได้ต้ององค์อื่นที่เป็นปกตศตะต้องรับหน้าที่ไปครับอันนี้จะใช้ณนะพระวิตรพังหนะ้ากาตาพางหน้ากาตาพัง ไม่พึงกระทําไม่พึงไม่พึงรับด้วยไม่ใช่ว่าไม่พึงกระทําอย่างเดียวไม่พึงรับเลยแม้พระเถระจะมาบอกใช่ไหมครับไอ้องค์อนุเถระองค์ที่สองประพฤติวัดอยู่ต้องบอกเลยตอนนี้ผมทําวินัยกรรมอยู่นะผมขอเดี๋ยวขอให้องค์อื่นทําแทนไปอย่างนี้ต้องบอกครับต้องบอกตอนนี้ไม่พึงรับไม่พึงกระทำในกรณีที่ว่าพระองค์ที่เข้าไปฏิวัตเป็นพระธรรมกถินตอนนี้ก็ อาจารย์โยมชอบฟังอือจารย์โยมก็อยากจะฟังทำครับตอนนี้ผู้แล้วทําไงจะจะได้แสดงทำได้ต้องเก็บวัดที่ครับเก็บวัดแล้วแสดงทำทำมาอย่างั้นต้องให้องค์อื่นครับให้องค์อื่นนะครับแปลว่าสมมติว่าผู้ที่มีพรรษามากกว่ามาบอกอนุญาตในมลให้อย่างนี้ได้ไหมครับเขาบอกว่า ไม่พึงทํากรรมเนื่องด้วยความเป็นใหญ่หมายความว่าหน้าที่ทั้งหมดต้องละทิ้งครับหน้าที่ทั้งหมดเลยต้องละทิ้งเลยไม่พึงทําเลยใช้นะกาตาพางนะเพวิตาพางไม่พึงเป็นไม่พึงรับไม่พึงแม้แต่ไม่พึงได้รับสมมุติในการสมมุติสิบสามอย่างเกี่ยวกับวัดต่างๆนะครับไม่พึงรับทั้งหมดเลยถึงพระเทระทงสงฆ์จะสมมติก็ตอนนี้รับไม่ได้แล้วต้องต้องเลา ะ, ละครับ อย่างสมมติว่ากรณีว่าองค์ที่เข้าปฏิวัติอยู่เป็นธรรมะกระถึกด้วยนะครับครับแล้วที่นี้ว่าบางเอื้นว่ามีโยมอยากจะฟังกันอยากฟังธรรมครับแต่ที่นี้ว่าไม่มีผู้แสดงธรรมอก็เลยพาเทล่นั้นก็เลยว่าให้รูปนี้นี่ครับท่านก็แสดงแล้วก็แสดงอ๋อถ้าเก็บวัดได้ครับได้นะครับได้ครับเก็บวัดได้ครับแล้วในกรณีไม่เก็บนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ในที่นี้บอกเลยไม่คือไม่พึงทําไม่พึงรับไม่พึงอะไรทั้งหมดครับแม้แต่จะถูกสมมุติคือถูกใช้อย่างนี้ ถูกสงสมมติเลยก็ยังไม่พึงรับตอนนั้นต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทํำยังไงกรรมอยู่ฉะนั้นไม่ได้สอนพระสอนพิจุนีนะครับเหมือนกันนี่ไม่ใช่สอนพระสอนพิจุนีหน้าที่ทั้งหมดครับครับตรงนี้คอลละครับสอนพิจุนีละคอลละครับแล้วกรณีอย่างนี้นะครับกรณีว่าท่านอย่างกรณีแรกที่ผมเรียนถามอาจารย์นะครับว่ามีพระเถระท่านจะไปทุรัที่อื่นใช่ไหมครับแล้วก็สั่งไว้กับพระที่ ท่านลงลงมาแล้วแต่ท่านกำลังประพฤติวัดอยู่ออบอกว่าให้ไปสัง่งให้ไปบอกกับพระรูปนั้นนะครับแต่ท่านไปบอกคือไม่ไม่เชิงบอกนะครับเป็นเชิงที่ว่าพูดให้พระรูปนั้นเนี่ยรู้ว่าอ่าคือจะให้ท่านเนี่ยแสดงคำนะคือเป็นการพูดพ อ, อมค้อมนะครับพอพูดเสร็จแล้วให้องไหนทราบครับองไหนที่เป็นปกฏตะครับ เดี๋ยวเเอาใหม่เอาเสมุติสมมติอะเอาเอาเจ้าอาวาสเลยเจ้าอาวาสเป็นพรรษามากจะไปมีกิจธุระจะไปที่อื่นครับ่งภิกษุผู้ประพฤติวัดองค์ที่สองลองลองท่านอ่าลองเจ้าอาวาสว่าว่าเดี๋ยวผมไม่อยู่ผมไม่ผมมีธุระผมมีธุระเดี๋ยวให้ท่านเดี๋ยวมีโยมมาหรือว่ามีผ้ามาอะไรนี่ต้องการจะฟังทำให้ไปนิมนต์อีกรอบหนึ่งแต่ท่านไม่ไม่ไม่ไป บอกตรงๆท่านไปพูดในลักษณะว่าเออคือวันนีู้ โ, โยมมาเยอะคงจะอยากฟังทำอะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับพูดคือไม่บอกว่าเจาะจงว่าท่านอะไรเนี่ยะแต่รูปนี้ดูอ๋อในที่นี้ไม่มีใครสแสดงทำได้กว่ามีเราคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมครับรูปนี้เป็นประกตาต่านะครับนบีก็อ๋อก็พอได้ยินอย่างนั้นมาก็ท่านก็พูดแค่นี้ท่านก็ดเดินหนีนะครับตอนนี้พอดีโยมมาเลยก็ผาามาจริงๆพาพรูปนี้ก็เลยขึ้นมาสแสดงทำแล้วอย่างนี้จะใช้ได้ไหมครับ คามจริงเราต้องบอกตามตามที่พระเถระสั่งครับถึงจะสมควรอย่างนี้ก็ยังไม่สมควรต้องบอกตามที่พระเถระสั่งถ้าอย่างนี้เท่ากับเป็นผู้เชื้อเชิญแสดงธรรมครับอย่างนี้พูดอ้อมคอมโดยเป็นเป็นการเหมือนกับให้องค์นั้นแสดงธรรมใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็บอกตามคำสั่งสิครับ <c oughs> บอกตามคําสั่งตรงๆอ่าเพราะไม่ใช่เราบอกพระเถระบอกใช่ไหมครับอ๋อนำำําคําอ่านำำําคําไปบอกออ อ่าใช่เท่ากับพระเถรละใช้เราให้ให้ไปบอกอ๋อครับครับครับนะครับถ้าเราไปพูดเรารับคํามาแล้วเรารับคํามาแล้วแต่เราไม่ได้ใช้คําพระเถรละเลยเราไปพูดเองเราก็เท่ากับเราไม่ได้ใช้คําไม่ได้ใช้อํานาจพระเถรละเราใช้อํานาจเราพูดให้ให้ให้ให้เขาแสดงนะครับเชื่อเชิญอย่างนี้ไม่ได้นะครับต่อไปครับมีอีกนะโอกาโซนะไม่พึงทํา ไม่พึงให้พระกัตาตาทาโอกาสให้แก่ตัวเองเพื่อจะอพูดคุยโจทดทวงข้อวัดของของพระกัตาตะนะครับไม่พึงขอโอกาสเอาเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าไม่พึงขอโอกาสกับพระกัตาตาว่าผมขอโอกาสหน่อยเถอะไอ้ขอโอกาสไอทีนี้คือจะโจดแล้วนะครับปกติจะโจดนี่ต้องขอโอกาสไม่ขอโอกาสแล้วโจดไม่ได้ถ้าโจดต้องอาบัตอีกนะครับทีนี้ไปขอโอกาส ท่านมีเวลาไหมครับผมขอโอกาสหน่อยผมอยากจะพูดหน่อยนะผมจะโจทย์ทละอะไรอย่างนี้นะครับไปขอโอกาสอย่างนี้ไม่ได้คือปกติแล้วพระเราจะขอโอกาสกันได้ใช่ไหมครับขอโอกาสโจทย์กันได้แต่เมื่อประพฤติวัดอยู่ตรงนี้หมดสิทธิ์ครับจะไปขอโจทย์คนนู้นโจทย์คนนี้ไม่ได้แล้วตอนนั้นไม่ได้นะครับไปขอโอกาสโจทย์คนนู้นโจทย์คนนี้ไม่ได้ไอขอโอกาสในที่นี้คือต้องโจทย์อาบัติกันนะครับไม่ใช่ว่าไอขออย่างครับขอโอกาสหน่อยเถอะ ถ้นะามาผมขอถามปัญหาสักข้อหนึ่งอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับอย่างนี้คนละอย่างกันขอโอกาสในที่นี้คือต้องขอโจทย์อาบัตครับต้องขอโจทย์อาบัตนะครับขอโจทย์อาบัตมหาพระกตศต่าภิกษุนะครับอย่างนี้ในบาลีจะขอโจรเฉยๆจะขอโอกาสเฉยๆถ้าใครไปอ่านแค่นี้แล้วก็ไม่เข้าใจนะครับต้องต้องอาศัยอาจารย์ถาช่วยด้วยนะครับขอโอกาสในที่นี้คือคือ ขอโอกาสโจดอาบัต์นะโจดด้วยอาบัต์ก็ดีโจดด้วยวัตถุก็ดีคือโจดด้วยขอ้อข้อข้ออาบัตนะครับทั้งสองอย่างใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อะไรอีกอะหรือไปใช้แล้วเราเราไม่ไ ม, ไม่ขอโอกาสไม่อย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่นี้บางทีเราไม่ไปขอโอกาสเองหรอกเราเราไปพูดกับกับปกตาตาอีกองหนึง่งไม่ได้ขอโอกาสท่านนะแต่ไปคุยให้ฟังคุยให้ฟังแล้วก็ให ปกตศตะเนี <crisp> ่ยลองไปถามเนี่ไอ้กายทำทำอย่างเนี้ยมันผิดไหมเนี่ยเนี่ยลองไปลองท่านลองไปถามว่เนี่ยประพฤติอย่างนี้มันผิดไหมนี่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับอ่าครับไม่ใช่ขอโอกาสแต่ไปโจดอ้อม อ, อมเลยอย่างนี้ไปยุยงให้เขาให้เขาไปโจดกันให้ประกตศตาไปโจดกันเองอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปยุยงให้เขาโจดกันว่าอ่าท่านท่านลองไปท่านลองไปเอถามองคโน้นที่เนี่ยทําอย่างเนี้ยมันใช้ได้เลย ทำอย่างนี้ยมันดีเลยทำอย่างนี้ไม่ต้องอบัตแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไลขนะ่ข้องณพิคุยฮีสัมปโยเชตพังไม่พึงไปไปปลุกระดมให้ให้พระปกติตระนั่นทะเลาะกันนะครับไม่พึงปลุกระดมอในที่นี้เขาจะใช้คําบาลีว่าสัมปโยเชตพังประกอบสองขวายให้ให้ให้ให้สู้กันให้ทะเลาะกันให้วิวาทกันนะครับ อในบาลีบางครั้งจะใช้คำว่ากรหะวิคหะอะไรพวกนี้วิวาทะความจริงมันเป็นคําขยายกันหมดเลยนะครับสีห่หหกจับนี่เป็นคําขยายกันหมดเลยพันธนะก็ะเดยพันธนาชาตังทหาชาตังวิวาวิวาวิวาทชาตังอะไรพวกนี้พันธนะเนี่บางทีอบางทีสมหัวกันถ้าภาษาไทยพันธนะเนี่เนื้อความจริงๆคือ ไอ้ที่เขาบอกว่าอย่ า, าพึ่งเวลานักเรียนแปลจะแปลว่าอย่าทำความแตกแยกคือยังไม่ได้ไปทะเลาะหรอกครับแต่รวมสมัครพรรคพวกมาสมหัวกันปุกระดมฝ่ายตัวเองก่อนเพื่อหาคําพูดที่จะไปลุยก็ฝั่งฝ่ายฝ่ายนู้นฝ่ายที่เราไม่ชอบใจนี่เรียกว่าพันธนะการะหะนี่คือหารวมหัวกันหาคําพูดแล้วไปแล้วพักไปแล้วโต้กันเลยโต้กันเลยตูก้ตกันเลยอันนี้อันนี้กระหะ น, นะครับแล้วก็ วิวาทะนี่พอโต้เสร็จแล้วไม่ยอมรับมติของทางนู้นทางนู้นก็ไม่ยอมรับของทางนี้แล้วทีนี้คือเหตุผลแต่ละฝ่ายไม่ยอมรับกันแล้วแตกกันเลยวิวาทะนี่มีความเห็นผิดกันเลยตอนนี้ตรงกันข้ามนะครับอย่างนี้วิวาทะอีกอย่างหนึ่งพันธนะณนี่พรรนณ น, นี่คือการโต้เถียงกันต่อหน้าเลย